คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เ MHz มอบรางวัลยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจําปี2562ในประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งจําแนกออกเป็น3ด้านได้แก่ 1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา 2. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและ 3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานเป็นรูปเล่มเสนอเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562หรือนำส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่22กุมภาพันธ์2562ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th เตรียมพร้อมสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2562เฉพาะอุดปวชปวสเท่านั้นพิเศษสุดๆกับรอบสอบตรงคลิกสมัครออนไลน์ได้ทาง www.admission.rmutt.ac.th ถึง28กุมภาพันธ์นี้สอบถามเงื่อนขายการสมัครได้ทาง 025493613-5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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับเราพบกันในช่วงเวลาดีๆที่นี่ FM89.5 MHz สเามกะเฮิรตสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนทำหน้าที่เช่นเคยนะครับเราพบกันเกือบ60นาที แล้วก็มีเรื่องราวดีๆทั้งสาระแล้วก็เสียงเพลงรับรองว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการมรอดอกไทยรวมทั้งเพลงก็จะทาให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขนะครับวันนี้ลืมทักทายเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เข้าสู่วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุข พบกับความรักที่ดีแต่จริงๆแล้วทุกวันเราก็มีวันแห่งความรักนะครับรักในหน้าที่การงานรักตัวเองรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนมนุษย์แล้วก็รักในสิ่งต่างๆถ้าหัวใจของเราชุ่มฉ่าไปด้วยความรักนะครับเราก็จะเต็มไปด้วยอรอยยิ้มนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาดูเรื่องราวของรายการมร ด, ดกไทยทั้ง4ช่วงที่จะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้นะครับ เพื่อให้สอดคล้องกับวันวาเลนไทน์วันนี้ผมเลือกเพลงหวานๆที่มีความหมายดีๆเป็นเพลงเก่าที่มีความไพเราะมากๆแล้วก็นิยมใช้ในวันแต่งงานด้วยนะครับวันนี้นำเสนอในช่วงมรดกเพลงไทยเพลงวิมานสีชมพูวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวที่น่าสนใจของเพลงนี้นะครับสําหรับในช่วงที่2มรดกวิถีไทย เ, เมื่อกี้พูดถึงเรื่องวิมานแต่ว่าผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้เรื่องราวความเชื่อของนรกแล้วก็สวรรค์เขาบอกว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีแต่ได้มาดูซิว่าจะมีแต่ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับสําหรับในช่วงที่4มีมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับคุณผู้ฟังครับในพุทธศาสนาเรามีความเชื่อของนรกในหนังสือตํำรับตํารามากมายทีเดียว ดังนั้นวันนี้นำเสนอความเชื่อเรื่องนรกในพระพุทธศาสนาเพื่อฝังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นความรู้นะครับและช่วงที่สี่มรดกทางภาษาวันนี้ผมนำเสนอหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับเป็นหนังสือเก่าเป็นหนังสือที่สอนใจในเรื่องของนรกสวรรค์หนังสือเล่มนี้ก็เขียนมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับ เอาละครับขึ้นต้นด้วยความหวานแล้วก็ลงท้ายด้วยความรู้เรื่องนรกสวรรค์ก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้คุณผู้ฟังได้มีความรู้แล้วก็มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าในแต่ละช่วงเหมือนเดิมนะครับผมสัญญาเลยว่ามีเพลงเพลาะๆที่จะมาเติมเต็มทามให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขนี่คือรายการมรดกไทย รายการที่ตั้งใจเผยแพร่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนฟังทุกท่านเดี๋ยวเรากลับมาพบกับความสุขในแต่ละช่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ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 คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่หนึ่งในช่วงมรดกเพลงไทยนะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอเพลงวิมานสีชมพูวิมานนี้น่าอยู่นะครับสีสันสวยงามแน่นอนครับวิมานสีชมพูก็คงจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นะครับก่อนที่จะมาฟังเพลงนี้เรามาดูประวัติของเพลงนี้นะครับเพลงนี้เขียนคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานน์ ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประวัติของคุณสมศักดิ์เทพมน์น์กันนิดหนึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2 4 6 7แล้วก็ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2537ท่านเป็นนักดนตรีนักประพันธ์แล้วก็เขียนคําร้องให้กับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงสุนทรพร น, นะครับ สมศักดิ์เทพานนมีชื่อจริงว่าสมศักดิ์ทับทัตนะครับท่านเป็นบุตรของคุณทองย้อยกับนางระเบียบทับทัตส่วนนามสกุลเทพานนนะครับก็เป็นนามสกุลของคุณยายแล้วก็ใช้ในวงการเพลงเท่านั้นคุณสมศักดิ์เป็นชาวสํารานราชนะครับศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทัศน์แล้วก็โรงเรียนวัดสเกตหลังจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่คณะเภสัชศาสต ร, ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ว่าท่านก็มีปัญหาเรื่องการเรียนนิดหน่อยนะครับดังนั้นท่านจึงออกไปทํางานไปสมัครรับราชการที่กองดุริยางทหารเรือรุ่นเดียวกับคุณสมยศทัศนพันธ์แล้วก็คุณสเสน่ห์กมรารชุลแล้วก็ยังมีคุณโสรสศิษฐ์สัตยวงศ์นะครับชื่อเหล่านี้นักฟังเพลงน่าจะรู้จักดีนะครับต่อมาท่านได้ย้ายไปอยู่คณะละครนิยมไทยก็มีวงดนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ แล้วก็วงดนตรีดุริยางโยทินของกองทัพ บ, บกนะครับคุณฟังครับในปีพศ2อ9 6สอครูเวศุนทรจามนฉชวนให้ท่านมาอยู่วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งมือกลองนะครับแล้วก็ต่อมาคุณสมศักดิ์เทพานนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเมื่อปีพศสองพ ใกล้ๆ ก, กับปีเกิดผมเลยนะครับจากเพลงรักเธอเสมอซึ่งเพลงนี้ก็ขับร้องโดยคุณรวงทองทองลันถมนะครับคุณสมศักดิ์เกษียณอายุราชการเมื่อปีพศ .2528 หลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการนะครับก็ได้แต่งเพลงที่มีทั้งคำร้องแล้วก็เพลงที่มีแต่งทำนองนะครับอีกหลายๆเพลงแล้วก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมร้อง ร้องเพลงนะครับกับวงดนตรีสังคีสัมพันธ์ของอคุณวินัยจุลบุษปะเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับผลงานที่สร้างชื่อให้กับคุณสมศักดิ์เทพานน์นะครับก็มีเพลงกุหลาบงามกระท่อมรักอขอรักคืนขอให้ได้ดั่งใจนึกขวัญใจเจ้าทุยแล้วก็มีเพลงใครจะรักเธอจริง และเพลงคืนวันนั้นและอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมทั้งเพลงวิมานสีชมพูนะครับสําหรับเนื้อเพลงวิมานสีชมพูเราคุ้นเคยกับเนื้อความที่บอกว่าวิมานนี้สีชมพูสีแห่งรักงามหรูซึ้งอยู่ในความฝันวางรากศิลาลักษสลักด้วยดวงชีวันจะรึกไว้ร่วมกันไม่มีวันเสื่อมคลาย แล้วก็มีข้อความที่บอกว่าวิมานนี้ฉันปลื้มฤดีเพราะมีเธอคู่ถึงเข็นใจไม่คลายชมพูเสรีรักอยู่ชื่นชูใจคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเลือกคนที่ขับร้องเพลงวิมานสีชมพูนะครับเป็นเสียงร้องห ว, วานๆเพราะๆของคุณอรวีสัจจานนท์ดังนั้นจะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ดื่มด่ำกับมรดกเพลงไทยกับเพลงไทยอมาตะเพลงนี้นะครับ วิมานสีชมพูขอเชิญรับฟังครับ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 ผมเองชอบน้ำเสียงหวานๆเพราะๆของคุณอรวีสัจจานน์นะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจเพลงเก่าๆแล้วก็ประวัติเรื่องราวของเพลงเก่าๆที่น่าสนใจก็สามารถติดตามได้ที่รายการมรดกไทยนะครับเราพบกันทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้นะครับ FM 89.5 MHz เมขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจ แล้วก็สิ่งดีๆที่มอบให้รายการนี้เสมอๆนะครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยครับคุณผู้ฟังครับถ้าผมจะถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นั้นมีแต่ได้คุณผู้ฟังจะคิดว่าอย่างไรบ้างครับปัจจุบันมีหลายคนก็ไม่ค่อยได้เชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์แล้วไม่ค่อยได้เชื่อในเรื่องของการทําความดีเท่าไหร่เชื่อผมนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ ครูฟังครับทุกวันนี้จะหาคนที่จะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยเขาบอกว่ายากไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าน้อยขึ้นทุกวันทุกวันเท่าที่ได้สอบถามผู้คนทั่วไปนะครับก็มีบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อจริงๆจะว่าไปแล้วนะครับคนรุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยกลัวมากเลยในเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็เชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ น, นะครับเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยก็จะสะสมความรู้ความเชื่อมาไม่เท่ากันแม้จะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าพระเทพทำคำสั่งสอนมันเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความนึกคิดแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเขาบอกว่าผู้ที่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถือว่ามีแต่ได้เพราะว่าอะไรครับนรกสวรรค์มีจริงผู้ที่เชื่อย่อมได้รับผลแห่งการประพฤติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมที่เป็นกุศล ตายไปก็ได้เกิดในภพภูมิที่เขาเรียกว่าสุกติภูมิก็คือมนุษย์สวรรค์รูปประพรมหรืออรูปประพมนะครับสําหรับในขณะที่ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ย่อมได้รับผลที่ตรงกันข้ามนะครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดเป็นคนจนหรือว่าคนที่มีความยากยากลําบากในขณะที่บางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเขก็มีความเชื่อว่า เมื่อมาเกิดใหม่เนี่ยก็อาจจะมีชีวิตที่ยากลําบากเนื่องจากไม่ค่อยได้ทํากุศลเอาไว้ในกรณีที่นรกสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่นะครับสำหรับคนที่เชื่อเรื่องนี้เขาบอกว่าเชื่อเถอะมันไม่ได้เสียประโยชน์หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ตั้งใจที่จะทําความดีสะสมความดีเพราะว่าการประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับย่อมเป็นที่รักของผู้คนอันนี้ถือว่าก็อยู่ในสวรรค์อยู่ในใจของคนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับสรุปแล้วก็บอกว่าการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยทำให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เขาก็ทำความดีสะสมบุญบา ร, รมีซึ่งอาจจะนามาซึ่งผลดีที่ อยู่ในโลกนี้แล้วก็โลกภายหน้าสังเกตไหมครับว่าถ้าเราทําความดีเราเป็นผู้ให้จิตใจเราก็จะสบายหน้าตาเราก็จะอิ่มเอิบแจ่มใสข้อสําคัญก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําความดีนั้นจิตใจมีความสุขนั้นก็เหมือนสวรรค์บนดินที่เราได้อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นละเว้นการทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับ จริงๆเรามนุษย์ทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างทำให้เราไม่สามารถทำดีได้อย่างสม่าเสมอแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับมาทำความดีได้เสมอๆนะครับเขาบอกว่าแม้เราจะยังไม่สามารถพิสูจน์หรือประจักษ์แจ้งเรื่องนรกสวรรค์ได้ด้วยตนเองเพราะว่ายังไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่เราก็ไม่ควรลืมว่านรกสวรรค์ ไม่มีจริงหรือไม่มีความสําคัญแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงแสดงไว้หลายครั้งตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับสําหรับความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคําสั่งสอนต่างๆนั้นก็สามารถศึกษาได้จากท่านผู้รู้การไปวัดศึกษาพระไตรปิฎกหรือแม้กระทั่งสนทนากับพระพิสุสง์เราก็จะได้ความรู้มากมายทีเดียวนะครับคุณรู้ฟังครับ นรกสวรรค์ตามหลักของพระพุทธเจ้าในที่นี้นะครับก็อยากให้รู้จักเรื่องราวต่างๆพระพุทธองค์ตรัสว่านรกทางอายตนะฉันเห็นแล้วสวรรค์ทางอายตนะฉันก็เห็นแล้วเมื่อก่อนเขาพูดกันถึงเรื่องนรกอยู่ใต้ดินอย่างเช่นภาพเขียนฝาผนังนั่นมันก็คือนรกทางกายนรกทางวัตถุ นั่นก็หมายความว่าอะไรครับคุณผู้ฟังร่างกายถูกกระทาอย่างนั้นเป็นนรกใต้ดินตามที่ว่าแล้วสวรรค์ก็อยู่ข้างบนบนฟ้าข้างบนนู้นนะครับมีวิมานมีผู้เสวยสวรรค์เป็นบุคคลมีนางฟ้าส่งเสริมความสุขเป็นร้อยๆนั่นก็คือสวรรค์ข้างบนแต่ว่าเป็นเรื่องทางกายหรือทางวัตถุทั้งนั้น นรกกับสวรรค์ชนิดนั้นเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเขาสอนกันอยู่ก่อนแต่คุณจับใจความให้ได้มันเรื่องทางกายนี้การเจ็บปวดทางกายอยู่ใต้ดินก็คือนรกอริสอร่อยทางกายข้างบนนั่นแหละสวรรค์ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสเสียใหม่ว่านรกที่อายตนะฉันเห็นแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นรก เมื่อทำผิดนะครับคุณผู้ฟังมันร้อนขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจมันนรกที่ไม่ใช่วัตถุครับที่ไม่ใช่กายมันเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนก็อยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นแล้วก็อยู่ที่กายและอยู่ที่ใจคุณผู้ฟังครับมีคาสอนที่บอกว่า นรกฝ่ายวิญญาณฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายวิญญาณทีนี้สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อถูกต้องเขาก็จะเป็นสุขสนุกสนานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละก็คือสวรรค์เป็นสวรรค์ทางวิญญาณมันคู่กันนะครับอย่างนี้มันก็คู่กันมาอย่างนี้ถ้าเอาวัตถุเอาร่างกายเป็นหลักนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าแล้วก็เป็นไปตามเรื่องนั้นนะครับ แต่ถ้าเอาเรื่องนามมาทำฝ่ายวิญญาณมาเป็นหลักแล้วทั้งนรกทั้งสวรรค์มันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นเองอย่างนี้พูดแบบนี้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนเ อ, อ, อาจจะฟังดูค่อนข้างจะเข้าใจา ย, ยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าลองฟังดีๆก็จะมองเห็นความจริงเรื่องนรกแล้วก็สวรรค์นะครับ ฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฟากฟ้าให้แสงสุขใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดี ทัดทอได้วยรักละมุนคอยหอมให้เธอ เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อยมาหลเก็บยาดน้ำข้างกลางไรมาคล้องใจเราไวร้รวมกันก่อนฟ้าจะสองก่อนจันทร์จะร้างเริมไกลยังอยู่กับเธอข้างเคียงกายอยู่ในความ ฝากเสียงกระซิบฝากไปในสายลมผ่านข้ามขอบระตรีที่ยาวนานให้เธอฟัง ในสายลมผ่านข้ามขอประตรีที่ยาวนานให้เธอฟัน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 มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถาบันการพัฒศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่12 26-28 กุมภาพันธ์2562ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานี รับฟังบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยนวัตกรรมโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี k e y n o speaker การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณ, คณวุฒิสำนัก ง, งานนวัตกรรมแห่งชาติกิจกรรมการประกวดบทความและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน7ชุมชนนักปฏิบัติเข้าดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.km12.rmutt .ac.th หรือโทร025493503อยากออกกำลังกายพร้อมกับการทำบุญง่ายนิดเดียวราชมงคลทัญบุรีจัดงานเดินวิ่งการกรุศลครั้งที่19 16กุมภาพันธ์นี้ณนะลานอนันตารังสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามโทร 02-549-4990-2 มาร่วมออกกําลังกายพร้อมกับการทําบุญกันนะคะงานดีเงินเดือนใช่หาง่ายไม่ยุ่งยากเพราะเราเปิดโอกาสให้คุณในงานนัดพบสถานประกอบการ62โดยกองพัฒนา น, นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีร่วมกับจัดหางานจังหวัดปทุมธานีและสถานประกอบการกว่า90แห่งเปิดพื้นที่สมัครงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ พูดคุยกับตัวแทนโดยตรงซอนเขียนเรทโซเมยอย่างไรให้น่าสนใจพร้อมตำแหน่งงานว่างกว่า 50,000 อัตรา 21-22 กลุถึง่กุมภาพันธ์นี้ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครออนไลน์ได้ทาง www.job2news.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-3632 และ 02-549-30 งห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 8.5 m ม k ะเฮิ s t เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับการที่ได้ฟังเพลงเก่าๆ เ, เพลงที่ เราเคยประทับใจก็ถือว่าพาเรากลับไปกับช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาสมัยก่อนคือทุกครั้งที่ฟังเพลงเราจะนึกว่าตอนที่เราฟังเพลงนี้นั้นเราอายุเท่าไหร่ <c ười> คือไม่ได้ฟังธรรมดาครับแต่ว่าอยากให้เราย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผ่านบทเพลงนะครับดังนั้นเพลงเพลงที่เปิดจะเป็นเพลงเก่าๆนิดหนึ่งเพลงใหม่ๆไม่ค่อยมี ตามอายุของผู้จัดนี่แหละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยวันนี้บอกไว้ก่อนว่าต้องขออภัยขึ้นต้นอย่างสวยหรูด้วยเพลงวิมานสีชมพูแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักนรกเขาบอกว่ามีความเชื่อเรื่องนรกในพระพุทธศาสนานะครับคุณผู้ฟังครับนรกเป็นความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดในเรื่องของผลกรรมที่ทําไว้ในทางที่เป็นอกุศ ล, ลกรรม คือกรรมในทางชั่วซึ่งการกระทำนั้นก็มีการกระทำผิดศีลโดยเจตนาเป็นหลักจึงจัดว่าเป็นกรรมนะครับดังนั้นผู้ที่จะไปสู่ดินแดนนรกได้แสดงว่าต้องมีเจตนาในการกระทำผิดศีลเรียกว่าทำจนสำเร็จนะครับจนได้มีสำเร็จทางกรรมความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่เดิมนั้น ก็ยังไม่มีการถ่ายทอดเป็นหลายลักษณ์อักษรเพราะว่าในสมัยก่อนในยุคแรกๆนะครับคุณผู้ฟังพระพุทธศาสนาก็ไม่มีการเขียนหรือว่ามีการพิมพ์คําสอนเป็นตัวหนังสือแต่ว่าใช้การท่องจําเป็นหลักซึ่งในสมัยนู้นนะครับยังคงเรียกว่าทำกับวินัยซึ่งพระพิสุทธสมเณรเป็นผู้ท่องเป็นผู้ที่จําคําสอนของพระพุทธองค์เอาไว้ ต่อมาพระพุทธศาสนาได้เสื่อมเสื่อมลงนะครับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้กระทําผิดทางธรรมวินัยแล้วก็อื่นๆมากมายพระสงฆ์จึงได้พากันทําสังคายนาพระธรรมคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วก็ให้มีการจานอักษรลงใบลานเพื่อสะดวกแก่การศึกษาของพระสงฆ์และนี่เองเป็นที่มาของคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่ได้สอนกันสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเดิมที่ว่าความเชื่อในเรื่องนรกในยุคแรกในการเทศของพระสงฆ์ในการถ่ายทอดความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งต่อมาในระยะหลังก็ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นประชาชนก็ได้รับการศึกษาตามแนวของพุทธศาสนามากขึ้นเช่นมีการไปเรียนที่วัดนะครับมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดจนกระทั่ง ไปเรียนหนังสือนะครับวิวัฒนาการการเรียนการสอนจนมาถึงปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังครับความจริงแล้วเรื่องนรกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการถ่ายทอดกันมานานนานแสนนานแล้วนะครับก็มีบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็กลัวบางท่านก็ละเว้นนะครับดังนั้นนรกนะครับจึง มีความหมายหมายถึงผู้ที่กระทำผิดศีลอย่างเช่นทำชั่วแล้วก็ไปตกนรกนั่นเองนรกตามความหมายเดิมนะครับก็คือดินแดนที่ปราศจากความสุขคือดินแดนที่หาความสุขไม่ได้ต้องได้รับการลงโทษตามผลกรรมที่ทำไว้นรกยังเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนอพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นโดยเขาบอกว่ามีเขามาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งคุณผู้ฟังครับาศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เป็นศาสาศนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับไม่มีบันทึกไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้ให้กําเนิดาศาสนาพราหมณ์แต่ว่ามีมาก่อนาศาสนาอื่นๆด้วยซ้ําไปนะครับคราวนี้ก็มาถึงบรนคดีที่เกี่ยวข้องกับนรกสวรรค์ที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยเรียนมานะครับเช่นพระมาลัยคําหลวงอย่างนี้เป็นต้นไตรภูมิพระร่วงก็กล่าวถึงนรกสวรรค์เอาไว้ นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีบุคคลที่เขาบอกว่าระลึกชาติได้ก็นําเรื่องราวของนรกเนี่ยมาเล่ามาบอกกันถึงความน่าสะพึงกลัวพูดถึงความโหดร้ายเพื่อให้คนที่ทําความชั่วเนี่ยได้เกรงกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําสิ่งร้ายๆอีกต่อไปครู้ฟังครับคราวนี้มาดูว่าในนรกนั้นเวลาเขาจะต้องรับโทษกันนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับเขาบอกนรก คุมที่ใหญ่ที่สุดคือคุมที่หนึ่งสันชีพนรกนะครับลักษณะเขาบอกว่าเป็นพื้นเป็นเหล็กหนาเผาไฟจนแดงโชนทีเดียวขอบด้านสี่ขอบก็เช่นกันถ้าเรามองออกไปนะครับก็จะแลเห็นขอบบ่อซึ่งมีอนาเขตกว้างไพศาลแต่จะหาที่ว่างเว้นจากไฟไม่ได้เลย ระหว่างไฟก็จะมีสภาวุธทั้งหลายนะครับเช่นหอกดาบทิมแทงนะครับคนที่อยู่ตรงนั้นที่ตกนรกก็จะถูกไฟสีแดงๆเนี่ยแผดเผาแล้วก็อาวุธต่างๆก็ทิมแทงเขาบอกว่าสัตว์นรกที่อยู่ที่นี่ก็จะวิ่งพลานนะครับเพราะเท้าก็จะเหยียบไฟร่างกายก็จะถูกเผาติดไฟอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ไปโดนหอกดาบนะครับทิมแทง เรียกว่าได้รับความทนทุกทรมานทีนี้เขาบรรยายไว้ว่าพอได้รับความทุกทรมาร่างกายขาดแล้วเนี่ยต่อมาก็จะร่างกายก็จะต่อติดกันใหม่โดยทันทีทรมานซ้ำไปซ้ำมาไม่มีวันตายเรียกว่ามีไฟเผากายอยู่ตลอดมีสภาวุฒประหัตประหารอยู่ตลอดเวลาอันนี้แค่นรกขุมที่1 น, นะครับนรกขุมใหญ่ขุมที่สองเรียกว่า กาละบุตรนรกนะครับเขาบอกว่ามีกำแพงทั้งสีด้านเป็นหลักพื้นเป็นเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชนมีนายนิริยาบาลเนี่ยจะจับเอาสัตว์นรกนอนลงไปนำเอาเส้นบรรทัดมาตีเป็นเส้นที่ตัวจากหัวถึงท้ายตีตามขวางไปบ้างไม้บรรทัดนั้นก็จะทำจากสายเหล็กที่ เผาไฟจนแดงโชนเมื่อตีเส้นเป็นแนวแล้วก็จะนําเลื่อยบ้างควานบ้างมีดบ้างมาสับลงตามรอยที่ตีไว้นี่เป็นการบอกว่าถ้าใครทำความชั่วทำความเร็วตกนรกขุมนี้นี่มีแต่ความทุกข์ทรมานนะครับขออนุ ญ, ญาตเล่าต่ออีกนิดนะครับคุณผู้ฟังนรกขุมใหญ่ขุมที่3เรียกว่าสังคาตะนรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีกาแพงทั้งสด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชนมีภูเขาเหล็กสองลูกกลิ้งไปกลิ้งมาคอยบททับคนที่ตกอยู่ในนรกนี้ภูเขาเองก็เป็นเหล็กที่ถูกเผาจนแดงโชนเช่นกันเมื่อถูกบทจนละเอียดแล้วก็คนที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ นะครับก็ได้รับการทรมานทรกรรมส่วนคนที่วิ่งหนีก็จะถูกนายนิรยาบาลตีบ้างแทงบ้างฟันบ้างอยู่ตลอดเวลาลำบากเลยนะครับมาถึงนรกขุมใหญ่ขุมที่4โรรุวนรกนะครับก็มีกำแพงเหล็กสด้านมีไฟลุกชนจนหาเปลวไม่ได้แล้วก็ยิ่งลึกมากก็ยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆตรงกลางของขุมนรกขุมนี้นะครับก็จะมีดอกบัวเหล็กกลีบเหล็ก ถูกเผาไฟจนแดงโชนกระแสะไฟแห่งไฟก็จบหุ่งออกมานะครับพุ่งที่กลีบดอกบัวตลอดเวลาจะไม่มีนายนิรยาบาล น, นะครับสัตว์นรกเหล่านี้หรือคนที่ตกนรกก็จะถูกกรรมนะครับทำให้ต้องเอาหัวมุดลงไปในดอกบัวมือแขนขาก็จะจุ่มลงไปเช่นกันกลีบบัวก็จะงับเข้ามาหนีบแขนขาข้อมือ หนีบมือไว้นะครับส่วนหัวก็จะหนีบไปถึงคางเพื่อให้ไฟนั้นเผาอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับไม่ได้สะจดสยองจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเปรยบรรยายถึงนรกแต่และขุมตามความเชื่อจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงต่อไปมาถึงนรกขุมที่5นะครับมหาโ ร, รุวะนรกนะครับที่นี่จะมีดอกบัวขนาดใหญ่ไฟจะร้อนจัด กรีบบัวมีความคมเป็นกรดนะครับวางตั้งอยู่ทั่วไประหว่างช่องก็จะมีที่ว่างแล้วก็จะมีหอกดาบเห้นเลาาปักเอาไว้โดยเอาปลายแหลมเนี่ยชี้ขึ้นมาครับไม่ใช่ชี้ขึ้นมาธรรมดานะครับจะมีการเผาไฟจนแดงโชนแต่ว่าดอกบัวนี้ก็จะไม่ไม่งับนะครับผู้ที่ตกนรกแน่นัก เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในดอกบัวนี้ทั้งหลายก็จะร้อนมากแล้วก็จะดิ้นอยู่ในกรีบดอกบัวเมื่อกระทบกับกรีบบัวก็จะขาดตกลงมาถูกเลนถูกหล้าวถูกของมีคมเนี่ยแทงเข้าไปแต่เนื่องจากของมีคมเหล่านั้นติดลุกไฟแดงนึกภาพไหมครับว่าเป็นอาวุธที่มีมีความร้อนสูงทาให เนื้อตัวของผู้ที่ตกนรกในคุมนี้เนี่ยลุกแล้วก็ร้อนเป็นไฟนะครับตกลงมาที่พื้นเมื่อถึงตกมาที่พื้นก็จะมีสุนัขในคอยกัดกินจนเหลือแต่กระดูกหมดเกลี้ยงเลยนะครับผู้ที่ตกนรกนี้หลังจากตายแล้วก็จะเกิดขึ้นมาในวันใหม่นะครับเป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขนะครับมาถึงนรกขุมใหญ่คุมที่หกตาปะมหานรกนะครับเขาบอกว่าที่นรกขุมนี้ จะมีแสงเพลิงสว่างสวยมากเป็นแสงไฟละเอียดมีความร้อนจัดสัตว์ร้องระงมเซงแซ่ไปหมดมีกำแพงล้อมรอบสีด้านแล้วก็พื้นเป็นเหล็กร้อนนะครับคุณฟังเขาบอกว่ามันจะแดงฉานแล้วก็จะมอีอาวุธนะครับที่ร้อนลุกเป็นสีแดงนะครับพุ่งมาเสียบเอาผู้ที่ตกนระกที่อยู่ในขุมนี้นะครับแล้วก็ตั้งดึงขึ้นมาเอาไว้ ผู้ที่อยู่ในนรกขุ่มนี้ก็จะหล่นลงมาแล้วก็ร้องทนทุกทรมาน์ตเขาบอกว่าจะมีสุนัขขนาดใหญ่เท่าช้างเที่ยวไล่กัดกินแทะจนไม่เหลือนะครับเหลือแต่กระดูกทีเดียวหลังจากที่ตายแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดรับทุกจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนะครับคุณรู้ฟังครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนรกแค่นี้และกันเพราะว่ารู้สึกว่า ผมเล่าเรื่องนี้เองผมก็สยดสยองมีความน่ากลัวมากนะครับดังนั้นอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วให้หมั่นสร้างความดีนะครับสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าอยู่นรกเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเรากลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมเราก็จะไม่ทําความชั่วนะครับเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตเขานะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้คำสอนนี้เตือนใจมาจากคุณยายนะครับเนื่องจากตอนเด็กๆคุณยายก็จะพาไปวัดไปฟังเทศไปทำบุญตักบาตรอยู่เสมอๆนะครับคุณรู้ฟังครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ามีเวลาว่างหรือในช่วงวันพระก็ไปทำบุญตักบาตรนะครับเพื่อความสบายใจสะสมบุญความดีไว้ในชาตินี้และชาติหน้านะครับ วิ you, ทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 026917738-9 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ คุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวของนรกสวรรค์มากนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันมาค้าบูชาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหาโอกาสไปวัดไปทำบุญนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตมาถึงในช่วงมรดกทางภาษาครับวันนี้ในช่วงมรดกทางภาษาผมอยู่กับหนังสือที่เป็นวรรณคดีเก่าแก่นะครับวันนี้ พูดถึงเรื่องราวของวรรณคดีไตรภูมิพระร่วงนะครับหรือมีชื่อเรียกว่าเ ต, าตาภูมิกถาไตรภูมิกถาไตรภูมิโลกวินิจฉัยนะครับแล้วก็เตภูมิโลกวินิจฉัยมีด้วยกันหลายชื่อนะครับสําหรับวรรณคดีเรื่องนี้ก็เป็นวรรณกรรมทางาศาสนาเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธนะครับที่แต่งตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย ประมาณปีพศ1888โดยพระราชดำริในพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งได้รวบรวมจากคำพีในาศาสนาพุทธก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกสันฐานที่แบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับก็มีไตรภูมิอันได้แก่การมภูมิรูปมภูมิและอรูปภูมิครับสำหรับวันใคดีเรื่องนี้ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคติความเชื่อของชาวไทย เช่นเรื่องนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดทวีปทั้ง4นะครับยกตัวอย่างเช่นชมพูทวีปแล้วก็พูดถึงวาระสุดท้ายของโลกแล้วก็เรื่องราวของพระศรีอริยะเมตรตยแล้วก็พระเจ้าจักรพัทนะครับสำหรับไตรภูมิพระร่วงนะครับก็เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่1ึ่งซึ่งแต่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้นสิบห้าเดือน4ปีรากานะครับ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมพศ1864หรือจอส683นะครับก็เป็นปีที่ครองราชที่พระองค์ประสงค์ที่จะเทศนาโปรดพระมารดาและเพื่อจำเริญพระอภิธรรมคุณผู้ฟังครับไตรภูมิพระร่วงเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึง้ง ในด้านพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทยที่ส่งรวบรวมข้อความต่างๆในคำพีพระพุทธศาสนาซึ่งก็ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกนะครับที่แต่งเป็นภาษาไทยเท่าที่เราที่จะพบหลักฐานในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับทั้งนี้นะครับท่านอาจารย์สินชัยกระบวนแสง ท่านได้วิเคราะห์ว่าเหตุผลในการแต่งไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชาลิไทว่าอาจจะเกี่ยวข้องว่าในเรื่องของการเมืองนะครับเนื่องจากไตรภูมิเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนรกสวรรค์สอนเนี่ยให้คนได้รู้จักทําความดีเพื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์หากใครทําชั่วประพฤติไม่ดีก็จะต้องตกนรกนะครับ กล่าวคือประชากรในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยที่มีการปกครองในเริ่มแรกนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่ปกครองตั้งแต่สมัยพ่อปกครองลูกนะครับทําให้การปกครองบ้านเมืองนั้นสงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกุศลบายที่ดีในการเขียนวรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าการดูแลของรัฐอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงการที่ พระมหาธรรมราชาลิไทยได้ส่งพระราชินิพนธ์วรรณกรรมทางาศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ทําความดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตที่สุขสบายและหากทําความชั่วก็จะต้องตกนรกด้วยเหตุนี้วันนั้นคดีเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ใช้ ควบคุมทางสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนโดยไม่ต้องออกกฎหมายบังคับแต่อย่างใดนะครับคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิบเมกะ คุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมเหลือมองเวลาก็ได้เห็นว่ารายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 8 9 5 m ิบเเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุน ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขแล้วเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ FM 8 9 5สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี